ต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดรอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยชใช้เคยผ่านมา เจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจรึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริง ผูท่ทันเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชายชนะฆ่าศึกซิ่ง <c oughs> เหยียบย่ำทำลายภาจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้น ท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนุกรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นค่าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจนั้น ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโมกข่าวบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดรอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบลกูกโลกและเป็นเกตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะนั้นทุกท่านจงสร้างเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือน ผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระอาวาจนของพระพุทธเจ้าก็ตา่างเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนุนธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจรมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่า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 สวาคาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจํานวนมากมายไม่อาจจักคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอํานาจแห่งสวาคาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวาคาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุด สดสดร้อนร้อนประกาศตังวาลอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกไม่มีคำว่ า, าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในผู้ธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความครุทั้งหลักธรรมหลักวินัย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 เมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัศิ์กิกำลังความสามารถขอ ง, ของเราแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้น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 ถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เรียนว่าใจเกิอดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสาคัญไม่มีอะไรคําว่าเป็นสัตว์โลกแต่พราะอย่างยิ่งใจเป็ น, านสาคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังข้องใจติดข้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ ท่านผู้วิเศษวิโสท่านผ่านพ้นไปสักมากน้อยเพียงไรเราทําไมจึงมากําดํากําขาวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งๆ ท, ที่หอบพบหอบชาติอยู่ตลอดอนันตการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาถามพบชาติซึ่งออกจากวิบาก ค, คือการกระทําของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากวิบาก ค, คืออวิชาปัจยาสังขาร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 ปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาทั้งมาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิด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 เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้อย่างสัตว์ดิเรกชานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั้นสัตว์นั่นชื่อนั้นนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไหมว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใด มนุษย์เราจรึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีฟรีตัวมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์ทั้งๆ ท, ที่เป็นนักโทษในเรือนจําแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายัางทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เหล่านี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรืออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัฏจักรบัณฑ์นี้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 ที่สําคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจรึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพรไเดชิ้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่าน ก็ประธานไว้สําหรับแดนมนุษย์นี่เป็นแดนสําคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประธานตรงไว้สําหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเวดาอินพรมสัตว์ที่กฉาญตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการ ร, าบารับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์นี่นะว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมแะเวลา ตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอาวิกีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยเมื่อเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นสเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเย็นมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกจูงไปไหนกี่ ตลบทบทวนก็ไม่ทราบว่านี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของทิเลดปกคลุมหุ้มหอ่อจนไม่ตัวแล้วก็ย่อมเป็นเทนั่นเหมือนกันแต่ไปเกิดในภพใดชาติใดำอำนาจใด้สูงต่ําขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไหรเราไม่อาจจะทราบได้บกเยินไปมา และไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามั่งงอถึงไหนคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทําไมจะไม่กระตือร้นในเรื่องการสอดแสดงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตัทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานราบต้องตะเกียกตะก่ายใจมนุษย์นี่เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลาบก็เคล็ดลาบด้วยสติปัญญามีทางที่จะ หีเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตย์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียบตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบงังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเยยนเปลี่ย น, บบยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโงกเขลาบวปัญญาอยู่ตลอดเวลา ม, มาจนไปทั้างปัจจุบันนี้นั่นแหละหากพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี่จิตจึงเป็นของสาคัญมาก การมาบวชนะศ า, าสนาให้เพ่งเล็งถึงความปกเเรื่องหรือความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปริยาตัวมืดมิดปิ ด, ดทวารภานใจมัน ต, ต้องชำระแก้ไขแบบนี้ให้ได้ถึถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้ เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการช่วยเวลาเท่านั้นเพราะให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมากสมหมายสมความมุ่งมาตราถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะหน้าแห่งความเพียนที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขรนแค่เอ็นนู้นเองนนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจัย ฮีวอลเครื่องนมห่มแท้สอยกเหลือเฟือมินธบาทอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทรัชมนเรีกี่ชั้นกี่ชั้นหรือสี่ชั้นห้าชั้นเก้าชั้นสิบชั้น ลกโมลาเสนาสนังนสร้าจะปรับประชาตัฏเตยยาพชูวังยาวชีวังอุซาโฮกาเรียวนี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระปุ้มมุ่งละฆ่ากิเลสให้หอดมาภายใน จ, จิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภ า, ายในเส น, สนาชนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟอ้อมันโก๋หรูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัว จะเรียกว่าเสนาสนานิสมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าผู้จะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัตฏบุภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถ้าถือตามหลักธรรมแล้วก็ว่าบกพร่องมากมาได้เหมือนข้างพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยหมาส่วนมากค่อจะเสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้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 คือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเหล่านี้เน่ยเป็นสิ่งที่บกพร่องลองพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกําลังในการต่อสู้กับพิเดออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกกระถางนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดแหลมผมยิ่งกว่ากิเลสแต่ละประเภทต่อเพรศะยั้นการจะ วิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลี่และฉลาดทอตัวจนได้เป็นเจ้ามนาจความเขใจของสามโลกแล้วนเราจะทําอย่างไรเราหล่อเล้ยแหละอยู่ได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนามาประพฤติปฏิบัติ นำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกจะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี้แหละพ้นกันที่นี่แย่กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้ชิบหายวไย้วงประจากษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้ การงานใดการเจาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันทันแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลาทางอันที่ท่านสแสดงไว้แล้วโดยชอบทำ เรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆ ท, ที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันห้าของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเรานี้มันกวนมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมา จ, จนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิด มันก่อควรเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับท่ากับขันพาอยู่พากนินพาขับพาถอดพาถ่ายเบี้ยงเต้นขวนขวายเพื่อท่าเพื่อขันนี้เป็นความทุกข์ความลําบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียร้อนแต่และอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในท่าในขันแล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็ เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสําหรับธาตุขันกหาเกะากะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงเออาสัยให้เป็นความล่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอํานาจของที่เด็ดตันหาประเภทต่างๆบีบบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะยอทยานให้ว้าวุ่นขุนมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความถุกความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจ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 นี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพไดชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่สามแดนโลกธาตุเราอย่าเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นมีไปเสียเท่านั้นเพงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นอา้าวคิดลงออกนอกจากเราไป ต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความวิเศษพิศูดอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความวิเศษพิศูดอะไรกับดินฟ้าอากาศอืมผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกลื่อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลําบากลำบนเช่นเดียวกันหาความวิเศษพิศูดอะไรกับขันนั้นนั้นแล้วตื่นอะไรยีลานี้อา้าวคิดตายดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟพิเศษพิศูดอะไรเราเจาะแวสแวงหาอะไรดิ้นลนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยัง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 ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้กิงไอจังนักปฏิบัติยาเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไรมันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพ่องฟาดปันกันลงไปบำดุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบ ตามหลักศ า, า, า, าสดราที่พาดำเนินมาแล้วยาท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศทอ้อถอยเป็นเพศสุขขุมละเอียดคำภีละผ้าเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านใจตองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงติตจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าต่งทางอยู่เสมอแล้วทาไมจะไม่ทราบ ความคิดปรุงอันเป็นเครื่องอยุ่ยแย่ก็ควรที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทํำไ้จะไม่ทราบเรื่องของกันแลกิเลสมันก็อู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแจกิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้าเพระพ้ทระจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้ว แะต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระไัยและพอใจของท่านได้หลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทําไมเราจะมาแบกบมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นํามาใช้สำหรับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นกับทุกข์ไปไดยที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิปักษอย่าท้อตอยอ่อนแ อ, อยาเสียดายปาัจฉะยาห่วงใยอะไรในโลกสงสานี้ตัวของเรานีเป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบว่าทุกข์พอแล้ว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 คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดืม่มเลือกซึ่งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทําให้เกิดทําไมใจะ จ, ะจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบสืกสารมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ทําไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้าง ความก็เลิกเจือจางเหล่นั้นล้วนแล้วตั้งแต่นํามาสร้างความทุกข์ความลําบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบย่อบอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความย่อบอยู่ด้วยความทุกข์ความลําบากความทรมานทางหน้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายนจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความก็เลิกเสือจารความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนๆเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้ว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 อุบายวิธีการ ใ, ใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงจุงจุงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาคนมาพิจนารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิบแพรเปลีป่ยนแปลงหลายสันหลายคมมาแก้กับวิเลด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนก อ, นกอนดเยเฉยเอาให้จริงให้จังในการ ป, รปฏิบัติ เวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดชัแล้วในตำหลักตำลาท่านกระ บ, บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านกะเทศสอนมาแล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอ่ะวัยวะส่วนภายในกลับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษ ชาพิเศษเราควรจะพิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คุกค้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่านี้โดยอุปทานมานานแล้วทําไมจึงไม่เห็นมีความจุิแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาขี้คาดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ท the ี่สิ engine, ่งจำพร้อมอันกิเลสเสียสารตั Lastly, ้นย่อไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจำพรองของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลําดับลํานาตั้งแต่ คิ้วหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิบตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแจะได้ถอนกา ร, รยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนเอาหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเหล่านัเนี่ยผลเป็นยังไงเ ป, เป็นถูกหรือเป็นทุกถูกแหลมเหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่นะที่เหลือมันเป็นแหลมเป็นเหลาย่อเข้าในหัวใจอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะ ก, ก, กันออกทอดออก ถอนออกอกแหลมล้า ว, วได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนให้เห็นตามความจริงเห็นนาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวอวบวงวิญญานี้หาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามเพามันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั่นตลอดหลายแต่หลบทบทวนไม่้ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้สูงได้สายแสบไปม า, มามากแล้ว ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาทาําบับางคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมวลบัด น, นี้จะให้ทําเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตเรือ่อใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสาคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั่นนี้ะถ้าเห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิง ไม่มีเหลือภ า, ายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาะฐานนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้เนตหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจ ก่อควรจิตใจไม่มีอะไรก่อควรดินผ้าอากาศเป็นดินผ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วปฐพีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นค่าสึบเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายใน จ, จิตใจนี้เป็นตัวทํำลายเห็นท้อก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันที่นี่ให้เห็นเหตุหเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจ ไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ทมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสทอถอนกิเลสนอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้งั้นรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังทำทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมดุดพ้นกันที่นี่ไม่ดุจที่ไหน นีะกับพยายามแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนเนต็มที่กาลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในทำทั้งหลายที่แสดงมาโดยลําดับกาลางจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ําใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตตธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงในสังเกต สอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อทำที่ทันชี้แกงสแสดงไปก็ดีหรือหมูเพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางในก็ดีให้นําไปคิดนําไปเป็นกติเครื่องเกือนใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกจละกะจีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักอืมผู้นั้นมาผู้นี้ไป พระองค์นั่นมาพระองค์นี้ไปคณะนั่นมาคณะนี้ไปมาสีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งๆ้งที่มีเจตนามันก็หนักได้สูงทั้งท่อนปแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันจีด ม, มันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนหลาวด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัด ร, ระวงัง จะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สําคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่ไดมีสิ่งรลกกรุงรังหูตานี่ยออกมาแสดงจีดขวางหมู่เพื่อนขิ้มแทงหมู่เพื่อนถ้ากันตั้งใจศึกษาจริงๆทําอะไรอย่าทําเล่นอย่าหลอกๆแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทําอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสเต่างหาก เมือ่อกเิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนได้มันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้อตอบหรือต่อสู้กัอยู่ตลอดเวลาเราจรึงได้ฝืนเราจรึงได้รบเราจรึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้อฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับพิเลสซึ่งเป็นตัวข้าสิทเพราะเป็นเจ้าอํานาจบนหัวใจมาเป็นเวลานานนั่นแหละมันจริงเป็นของยากของนํามั ยากลําบากก็ช่างความยากความลบากเป็นปุ๋ยอันสําคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลาทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราภิเดษให้าราดลงพนาน จ, จิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลําบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเรายานนํานความต่อแท้ออนเดว่าทุกว่ายากว่าลําบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้อืเรื่องของธรรม้วเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละ เป็นความชอบทําของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้าตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพระุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทําความเพียรตายสอนให้คนทําความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพระเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียร เ, เ, นะ เ, เ, เพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นนี่แล้วเขจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายมั่งสิเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้าง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 มหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมติโดยประการทั้งปวงทั้งๆที่ทธาตุขันนี่เป็นสมมติแต่จิตใจเป็นมิมุติดุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นและเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประธานทำไว้ให้พวกเราทั้งหลาย ได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำมันเลิศ ด, ดวงนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลยในเวลานี้เรามาหาทมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เวลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบงังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรกักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะ เพราะฉะนนจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาักเพื่อนได้รับความทุกข์ความยากความหมากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอํานาจของมันแล้วยียบย่าทําลายมันลงเสียที่นี่เรียก ว, ว่าราบราบแบบนั้นเองกิเลสราบออย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลส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 จะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามคุสมัยความสามารถฉลาดของเขาพอได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาก็ได้รับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนไข่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 ในรักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลําดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียนแล้วจะไปเป็นค่าสิทิ์ต่ออนาคตในการประกอบความเพียนในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์ขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองยิ่งขอให้ทุกท่านเน้นนำไปพืชปฏิบัติ การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรรู้สึกหน่วยขึ้นมาแมันผสมประสัยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยพระเข้าออกอยู่เรื่อยยุ่งอยู่เรื่อยนะเราละหนักนะหมู่เพื่อนก็ต้องหนักเหมือนกันนะมาที่แรกต้องเก้อๆกลางๆเหมือนไม่เคยได้อบรมมาเลยนละยขวัญวัดปฏิบัติไม่รู้เรื่องรู้ราว มาจีบมาขวางมาให้แบกกันอย่างนี้อันสำคัญตรงนี้นะเรามันเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาแล้วเป็นผู้น้อยก็เคยเป็นมาแล้วหนักกับหมู่กับเพื่อนก็เคยหนักมาแล้วตั้งจะอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องได้ขี้กันอยู่ด้วยแต่เล่ามันคนอย่างนี้นะหน่ะใครมาขวางตายนานๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนกันกี้ยวลงทิศเป็นมาให้แบกให้หามทำไมมันไม่ได้ ข้าฟืนพอจะเอามาใส่ฟืนใส่ไปเป็นประโยชน์ได้แบบคนตั้งที่มันหนักจะตายเลยแล้วเหม็นคลุ้งไปด้วยนี่มาแบบ ก, กันทำไมวะนีม่มาเก๋เก๋กลางกลงอะไรอยู่นี่ขวางหูขวางตาจะว่าอะไรก็ไม่ทราบจะว่า ย, ยัางไงมันขวางกันอยู่นั้น มูเพื่อนทาอะไรไลนัมันจะดูก็ไม่ดูของวามาศึกษาเอาอะไรศึกษาก็ไม่ดู้ที่เอาตาบอดหูหนวกกันหรือศึกษาเนี่ยถ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกมองลุมก็รู้นี่มูเพื่อนทําอะไรไลกายมีมันต้องคิดนี่นี่ที่ที่มันทำให้หนักเพรเห็นนี่ผู้หนักหนักจะตายทําควาตปฏิบัติผู้สบายสบ า, สบาจนเหม็นคลุ้งหน่อย นีม่มันมีนะเราไม่ได้ไว้ใจเราไม่ได้เชื่อว่าไม่มีเราเชื่อว่ามีระ <c oughs> ว่งกิเลสเหยียบหูถูหัวใจมันไม่มีได้อย่างไงสิ่งที่มันจะแสดงมาให้ฝังทํามันมีอยู่ในหัวใจคนสา <c oughs> มารถจักทิศไหนแดนไหนยุ่งกิงนเอาจังก็ไม่พอได้เหื่องเด็ดเรา มาเที่ยวล่าวัดนั้นล่าวัดนี้ล่าคือวาจันไอ้นั่นมันไม่เรื่องมันกลายเป็นเรื่องโลกโลกไปเสียพระกายเป็นเรื่องมันไม่มีอะไรยืดเยื้อแค่พาพอให้เป็นกติเครื่องกระเทยใจตนเพราะการเห็นการได้ยินนั่นเลยจะว่างไรหามันก็กล้าไม่ออกมันหนักมันขี้เกียจก้นก็หนักยิ่งกว่าภูเขา ควาขี้เกียจนั่นแหะกิเลสมันขวางทางมันขวางอย่างนั้นน่ดูเอามันขวางหมู่ขวางเพื่อนแต่ขวางไม่รู้ว่ามันขวางอแต่หมู่เพื่อนจะตายเนาะความเหมือนอย่างไม้ขวางทางเนี่ยม้มันไม่รู้ว่ามันขวางแต่ผู้ไปนั่นสิเป็ถูกไม้ล้มทับของทางนั่นแ่ะมันไปได้ที่ไหนสิต้อ ง, งหาที่หลบที่ดีปีกตัวเลไอคนที่ขวางหม่เพื่อันก็อย่างนั้นเนี่ย ไม้ขวางไม่เหมือนคนขวางพระขวางนี่นี่เอาท่านั้นแหละมันคุดมากแล้วันนี่เหนื่อยแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบล้วคิดเกลียดดุ่งอ่ะอ่ะ